ประวัติย่อของพระครูสุทธิธรรมรังสิจุนโดจากหนังสือหลวงปู่เจี้ยพระ 6 ค่ําปี 6 มิถุนายนพุทธศักราช 2459 บ้านคลองน้ําเช็ม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 ท่านพระอาจารย์เกียรติได้รับการศึกษาเบื้องต้นที่โรงเรียนวัด คนที่มีปานประเภทนี้จะต้องเป็นคนมีจิตๆท่านกลัวกัปปิเป็นที่สุดเวลาที่ชายเดินทางไปที่ไหนที่ไหน มึงไม่ต้องมาถ้ามาเดี๋ยวจะเอากะปิควี้ยงหัว ในวัยหนุ่มทำมาค้าขายขายเงาะขายทุเรียนขายมังคุดนิสัยออกจะติดทางนักเลง เรือลําไหนมันขึ้นฝั่งไม่ได้เรือเค้าขึ้นไม่ได้ทั้งหมดแต่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 มีเรืออยู่ 2 ลำลําใหญ่นําไปบรรทุกกระดานลงมาขาย ยายสอนให้ภาวนานึกพุทธังธัมมังสังฆังทายุพัดกระหน่ำมาอย่างแรงผมอย่างที่ ตอนใหม่ๆครูง่วนหลินที่เคยเป็นอาจารย์สอนในสมัยเรียน 3 บาทเราไม่อยาก 2 เที่ยว 3 บาทไป 10 วันก็ถูกให้ออกเอา เราจึงบอกพ่อแม่เด็กว่ากินบรเพศเพียงแค่นั้นมันจะตายหาอะไรกันเพราะเด็กมันคุยเก่งเรื่องฐานะทางบ้านของเราในสมัยนั้นครอบครัวมีฐานะดีที่สุดในหมู่บ้านที่ เพราะว่าลุงฮอกกับลุงเหยไปบวชเป็นพระเวลา เมื่ออายุได้ 21 ปีก็ชิดอยากประกอบกับในสมัยนั้นให้บิดามารดาๆบ้านซึ่งต่อ ต้องไปเป็นผ้าขาวอยู่ที่สำนักวัดสายงามนี้เป็นเวลาหลายเดือนระหว่างนั้นต้องหัดขันหน้าและ แต่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นสมาธิรวมจนกระทั่งว่านั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นสมาธิรวมจนกระทั่งว่าไม่มีตัว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 และท่านพ่อลีธรรมทโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้ว 3 พันษาในระหว่าง จังหวัดจันทบุรีบางทีตอนหนุ่มๆบวชใหม่ก็คิด เหมือนเราเราก็ต้องตายลงไปในทะเลถ้าไม่มีเรือมารับแล้ว โต้ๆก็ไม่สามารถรึงรักมัดผูกจิตใจเราและยิ่งไปกว่าบ่วงๆนานาในที่ ในสิ่งที่ชั่วเสียหายทันษาที่ 2 ถือเนสัจฉิคือการ ในเวลาค่ําคืนไม่นอนด้วยพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพถ้าแม้นว่าข้าพเจ้าไม่ทําตามสัจจะอัน ถ้าไม่ผ่านก็แสดงว่าวาสนาเรามีๆร่างกายก็ว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ก็ได้เข้าไปตั้งสัตster อัดพานคับอาวไห้ เพราะความเป็นผู้ที่รักษาสัตster สัตsterot ตายเป็นตายคอยรึงรธกายจิตเอาไหร้ตายเป็นตาย แต่จะให้สัตster เรายังรักษามันไม่ได้แล้วขาดไม่ได้本ีหล่างกายนี้ เมื่อตั้งสัจจะแล้วเริ่มภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนจนในที่สุดเมื่อภาวนาอยู่อยู่มาวันหนึ่งในปัญจสาที่ 3 อยู่ใต้ต้นกระบกจิตรวมใหญ่ด้วยกรรมอย่างสติแยกแยะๆของธาตุขันธ์ออก ทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกข์ กายกับใจนี้มันขาดออกจากกันทําให้กล้าหาญเมื่อ ปิดบังไว้ไม่ให้ใครรู้จึงนึกถึงแต่จิตติๆในโลกนี้ที่ของนิยม ถึงกับแต่เมื่อจิตมันเป็นเช่นนี้วันหนึ่งออกบินธบาทกับคนต่อแต่นี้ไปเราจะไม่สึกแล้วนะที่เคยได้สัญญา 2482 จึงตัดสินใจเข้าไปลาท่านพระอาจารย์กงมา ก็คนไม่ดีนั่นแหละต้องให้คนดีๆสอนถ้า เพราะพ่อแม่รักเราเป็นที่สุดบรรดาลูกๆพ่อแม่รักๆโอ๊ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะ เมื่อท่านพ่อหลีอบรมสั่งสอนแล้วท่านจึงพูดเจี้ยให้ท่านเอาท่านแล้วท่านก็กําหนดวันออกเดินทางให้ไปพร้อม Krugtoi Sculpa, krim e decoration. Kanan ispur s culprit. Kamualli dritzed in unc v engineering. Ch icing or dbage. Shufu. It is controlled. They were impossible and saved. Noなら applied. It happened with the eldfredi. It is foul and delayed. Kriium broad. You can't. Sculpa, JP. You belong to a regime. Ch Oculus. It is tą chronost. They are almost as dangerous and abused, a non-laughs. Had happened. We at the top after the disease. But yes, they areomanaged. It was out of us. Those who just yüz held พระพุทธเจ้าสละราชบัลลังก์ออกบวชไม่เห็นจะมีปัญหามากมายขนาดนี้เธอ ยินยอมคืนกดให้เมื่อเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพฯมาขึ้นที่ท่าราชวงศ์และไปประมาณ 20 วันก็เดินทางโดย ก็ออกเดินทุรดงไปทางอำเภอเชียงดาวแล้วออกเดินทางต่อไปจนถึงปางแดงอันเป็น เหนื่อยจะตายอยู่แล้วได้ยินว่าใครๆเขาก็พูดว่าท่านพระนี้ผมพระเจี้ยเดินทางมาหาเหนื่อยยากลําบาก มีพระรูปหนึ่งลักษณะองค์อาจเป็นเถระมีรูปร่างเล็กๆหนึ่งลักษณะองค์อาตเป็นเถระมีรูปร่างเล็กๆ แต่ไม่แสดงออกทางคําพูดสังเกตได้ว่าเป็นปริยาที่รับกันใจในขณะนั้นน้อมนึกขึ้น ท่านพระอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นว่ามาจากไหนอาจารย์มั่นจึงถามขึ้นอ๋อนั่นลูกเหมือนว่าเราท่านพูด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 เมื่อรับฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความ ด้วยการประสิดเบาๆว่าเผื้องโวยหนาโวยกลับบ้านเราดีกว่าฝ่ายท่านเผื้องก็ ไปไม่มีใครอาราธนามาที่นี่ท่าน อยู่ต่อมาอีก 2-3 วันฝันข้างๆว่าเอ้าท่านเจี๊ยะเอาไปแล้วท่านก็ยื่นยื้อให้การเราจะต้องเป็นผู้สร้าง พระกวีพิมพ์ได้มีหนังสือนิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นให้ลงมา ท่านพระอาจารย์มั่นป่วยเป็นไข้มาลาเรียคราวนั้นเราเป็นพระศิลาอนุภัติประจําพระอาจารย์มั่นไม่ฉันข้าว 3 วัน หNaN แดงจึงนิมนต์ท่านไปพักรักษาที่โรงพยาบาลแมคโคมิกในการป่วย การป่วยของท่านพระอาจารย์มั่นคราวนี้อาจจะว่าหมอว่าอย่างไรท่าน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 เพ่งแผดเผาภายในเพื่อเป็นวิหารธรรมอยู่ทั้งกลาง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 ท่านรูปใดจะอาสาไปปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นเราจึงยกมือขึ้นว่ากระผมจะเป็นผู้อาสาปฏิบัติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นพัก ถ้าพรุ่งนี้จะนําเอาปัจจัยที่โยมเขียว ท่านของพิจารณาเพราะการอันใดก็ตามก็ต้องประกอบไปด้วยธรรมเท่านั้น ไม่ได้เอามติที่ประชุมเห็นชอบแต่เอาใจที่บริสุทธิ์เห็นธรรมคนหมู่ คนแก่ต้องฉันนมบำรุงบ้านร่างกายจะได้มีริ้วแรง ถ้าฉันนมแล้วมันมักจะถ่ายท้องท่านปฏิเสธเสียงแข็งกระผมคิดว่าควรจะ ท่านฉันเพื่อเป็นสิ่งเยียวยารักษาธาตุขันธ์ไม่ท่านด้วยความเคารพเครื่อมใสแม้ในขณะที่ท่านอาพาธอยู่นั้นสิ่งที่ท่าน กับโรคทางใจสัตว์ทั้งหลายที่ยืนยันว่าตนเองมีสุขภาพดีไม่ป่วย 1 ปี 2 จะไม่สามารถหาถึงจะเว้นโทษคือโรคทางใจได้ท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนเราว่ายิ่งพวกเราเป็นบรรพชิตด้วยแล้วได้ในโลกนี้เว้นแต่อย 4 อย่างแทรกชอนชัยเข้าไปสู่ เป็นพระมากๆมัวมามอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนเที่ยวแสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักลดละ โรครามกจกกระเปรตก็ตามตามกันมาเหมือนนัดคือความเลวต่ําช้าทําให้ทุกอย่างที่จะให้ 3 เมื่อจิตใจมันสกปรกรามกเข้าเต็มเป่าแล้ว และหน้าด้านต่อศีลต่อธรรมส่งเสริมอย่างไร้อย่างอายหน้าด้านต่อศีล 4 พระประเภทที่จิตใจเป็นอย่างนี้มัก มีขันติอดทนอดกลั้นเพื่อให้เขามานับถือโรคทั้งกี่อย่างที่ผมกล่าวมา อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆของท่านเข้าไปถวายการบีบนวดเวลานวดท่านขึ้นเรื่อยๆกิจวัตรที่ต้องทํา พวกพระเนหนุ่มธาตุไฟดีถ้ามา 3 เดือนท่านก็ฟื้นจากอาพาธและ วันหนึ่งเราเดินจองกลมอยู่ริมป่าที่ป่าเปอะมีผู้หญิงร้องเพลงขับอันประกอบไปด้วยอรรถรสแห่งธรรมประสานกมกลืนกับธรรมที่กําลังสัมผัสเพ่ง นั้นเขาร้องเป็นภาษาอีสานว่าทุกอยู่ในขันธ์<าร> 5 ห่มลงมาขันธ์ 4 ทุกอยู่ในผ้าอ้อมปอมผ้าห้ายห่มอายอยู่ผู้เดียวทุกอยู่ในโลกนี้มีแต่สิทนทุกอยู่ในเมืองคนมีแต่ตนเดียวห้ายทุกอยู่ในขันธ์ บางคราวสงสัยเรื่องนิมิตที่เกิดกับจิตจึงนำเรื่องนี้ไปกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่า ก็สิ่งที่มันปรากฏขึ้นนั้นมันไม่ใช่ตอบแล้วท่านก็ยิ้มเปิดโลกด้วยความเมตตาเราถือท่านเป็นเหมือนพ่อแม่ท่านเหมือนลูกเพราะลําบากอยู่ด้วยกันแลแล้ว ฟังให้ดีนะท่านเกลียปฏิภาณนิมิตนั้นอาศัยผู้ที่มีวาสนา แต่โมหะครุ้มจิตถ้าจะเรืองวิปัสสนาถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจะต้องทําความรู้ให้เต็ม เพราะการดําเนินจิตมีหลายแง่หลายมุมแล้วแต่ความสะดวกนิมิตทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยปฏิสมาธิอย่างเดียวที่แสดงตามนิมิตออกมาทั้งหลายนั้นกรุณาท่าน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 น้ำตานี้จึงเป็นน้ำตาที่มีคุณค่ามากนะท่านพระอาจารย์มั่นได้พักอยู่ที่ป่าเปอะประมาณ 6 เดือนและออกเดินทางจาก เข้าพักที่วัดโพธิสมภรซึ่ง การปฏิบัติการพิจารณาธรรมให้เห็นปัจจุบันธรรมอย่าทรงจิตให้ เวลาพิจารณาอย่าใส่สิ่งที่ไม่มีเข้ามาและอย่านํา เวลาปฏิบัติสมาธิด้วยจิตตภาวนาถ้าจิตเราส่งออก เมื่อเราปฏิบัติถึงจุดแห่งอัตตาหิอัตตโนนาโถพึ่ง เป็นต้นเหตุของทุกสิ่งท่านก็ว่า ก็อยู่อุปถากท่านพระอาจารย์มั่นอยู่ณที่นั้นด้วยเหนือความนั้น สลบชีเป็นถึงตายสลบไป 3 คราวและท่านต้องการคนใจเด็ดเป็น ชอบใช้ข้อวัดหมดจดดีของเป็นผู้ไม่ละการวาจาพูดก็ดีเทศก็ดีได้วาจาตรงไปตรงมาบริจาคตามความรู้ความเห็นให้เสมอกายวาจาใจ เป็นอาชานัยล้วนท่านพระอาจารย์มั่นประพฤตตนสงเคราะห์หมู่พรหมจรรย์ ท่านอยู่ที่ไหนเค้าถวายท่านก็ให้เอาเก็บไว้ให้พระเนียนใช้ณนี้ เป็นข้อลี้ลับมากต่อนั้นถ้าจะเอาจริงเอาจัง ในขณะนั้นท่านพูดเช่นนั้นท่านหันกลับเอาความจริงเพราะกลัวศีลจะเพลินนิสัยท่านเป็นคนใจเดียวไม่เห็นแก่ๆบุคคลใจเด็ดจึง หาบุคคลที่จะดูจริตของท่านได้ยากเพราะ ปฏิปทาความรู้ความเห็นของท่านเกิดจากสันตุถีความสันโดษของท่านนิสัยท่านไม่ ท่านเล่าแต่เมื่อชาติก่อนก่อนโน้นท่านบวชในสำนักพระอรหันต์เช่นจีวรเก่า ท่านไม่ติดอามิตรติดบุคคลติดอามิตรติดบุคคลติดลามยศสรรเสริญท่านถือธรรมะเป็นฉะนั้นท่านจึงพูดถึงพริกถึงขิงตรงอริยสัจ ที่บุคคลจะให้สิ้นทุกข์ได้จริงๆเป็นวาจาที่สมถะวิปัสสนาพอไม่บกพร่องวาจาจิตวิการ พระเนนอยู่ในอาวาสท่านได้สติมากพระพันหรือหมื่นหรือแสนหรือท่านสามารถกําหนดได้เทวดาและมนุษย์ มีระเบียบแม้จิตเล็กๆน้อยๆก็เป็นระเบียบหมดเพื่อจะให้เพื่อละอุปาทานในสิ่งนั้นๆท่านทํา ที่ดำริไว้จิตของท่านพระอาจารย์มั่นฝ่าอันตรายลงไปตั้ง ผลวิสัยคนที่จะรู้ตามเห็นตามเว้นแต่บุคคลคนที่จะรู้ตามเห็นตามเว้น ทั้งกายตอนนี้ไม่มีใครที่จะกล้าคานพระธรรมเทศนาของท่านวาจาเป็น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 และได้รับโอวาทธรรมเป็นระยะระยะผลของ ซาบซึ้งในพระคุณของท่านพระ 2 พรรษานับแต่จากเชียงใหม่มาพอ พร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไป 2484 ท่านเข้าไปพักที่ เมื่อท่านถึงสกลนครและพักอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสได้ 2-3 วันท่านหลวงปู่เรา ที่วัดดอนธาตุอำเภอภิบูรณ์ 3-4 เดือนหลวงปู่เสาก็ป่วยหนักท่านหายเป็นปกติแล้วท่านก็เดินทางไป ครูบาแก้วครูบาเนียมและเนนกับผ้าขาวก็ออกเดินทางด้วยเท้าผ่านทานดอนธาตุมุ่งไปยังอำเภอ มีสัตว์นานาชนิดเช่นช้างเสือหมีและในน้ํายังเราพาหมู่คณะ ตามคํานิมนต์ของโยมคําตันได้พาพระก่อนต่อจากนั้นได้สะดงต่อไปที่ห้วยสาหัวเขตนคร เป็นหมู่บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยราว 18 หลังคาเรือนในการพุทงครั้งนี้พักอยู่กับพระเพ็งประมาณ 5:00 น. น, น. นให้เรา เรือของหลวงปู่เสาจะมาถึงนครจัมปาสักประมาณ 5:00 ของหลวงปู่เสามาถึงเรากับพระเพ็งก็ลงไปรับท่านในเรือพบว่าหลวงปู่เสาท่านมีอาการหนักมากจึงจัดไปหามเข้าไปในวัดอมมาตพาท่านเข้าไปในพระอุโบสถท่าน เมื่อกราบพระลงครั้งที่ 3 สังเกตเห็นท่านกราบนาน จึงพยุงท่านจากอิริยาบถนั่งมาเป็นอิริยาบถนอนแต่ทํา 3 ครั้งแล้วท่านก็ พุทธศักราช 2485 จึงได้จัดเรื่องงานศพโดยส่งโทรเลขมายังจังหวัดอุบลราชธานีพระและญาติโยมจึงได้จัดขบวนรถยนต์ไปรับศพท่านกลับมายังจังหวัดอุบลราชธานีคณะที่ท่านหลวงปู่เสามรณภาพนั้นตอนนั้นเราบวชได้เพียง 5 จึงเดินอำนาจเจริญนครพนมสกลนครเพื่อร่วมจำพรรษากับท่านพระอาจารย์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 ตั้งอยู่มาวันหนึ่งท่านจะพูดจะสอนเพื่อเป็นคติอยู่มาวันหนึ่งท่านพระอาจารย์ เธอปฏิบัติของเธอ 3-4 ปีเหมือนเราลงที่นครนายกมัน 3 ปีเท่ากับ 22 ปีอันนี้ชมมาเล่า แต่การฝึกที่จะได้รู้ว่าเร็วหรือช้านี้แล้วแต่คือ เป็นจากเดินไม่ได้ลงมาอาการปวดขยายออกไปเปเป 4 ถึง 5 ขวดเหล้าแล้ว กรองได้น้ำบรเพชพอประมาณ 4 ถึง 5 ขวดเหล้าเหมือนกัน 3 คืนจึงขุด 1 นิ้วฟุต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 เมื่อออก 2485 แล้วท่านก็กราบลาท่านพระอาจารย์มั่นออกๆช่วงๆท่านวนเวียนอยู่ในอุบลมุกดาหารบาง หรือบางทีท่านก็ข้ามไปฝั่งลาวชั่วระยะกาลท่านที่ชอบอิสระและเป็นอิสระเต็ม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 แล้วเดินทางต่อไป 2490 เรากลับจากคิวบาจันทร์มั่นแล้ว ท่านพรรคจัมพันษาอยู่ที่วัดสายงามแห่งนี้เมื่อ อยู่ณหมู่ที่นี่พวกผมจะไปกราบแต่ก็ไม่มีใครกลับมาอีกเลยเมื่อเป็น จึงเดินทุรดงไปทางภาคใต้อันเป็นสถานในถ้ําแห่งหนึ่งใกล้ๆจังหวัดชุมพรชื่อว่าถ้ําขวัญ อยู่ที่นี่นานหน่อยตกแสงถ้ํามีกำนันและมีคนเข้ามานับ จึงว่าวัดก่อไม้พ่อการทุดลงในทางภาคใต้ในคราวมาก เหมือนกับว่าท่านอยากจะมาแสดงอะไรบางอย่างให้รับรู้กับว่าท่านอยากจะมาแสดงอะไรบางอย่างให้รับรู้เพราะท่านทราบ ในขณะที่ช้างนาราคิรีกระโจนตกมันโผมเข้ามาเพื่อจะทําลายพระให้ และทําให้ได้ทําให้ดีถ้าไม่ดีทําให้มันจนดี มีข่าววิทยุว่าท่านพระอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วเมื่อ จึงเดินทางไปสกลนครเพื่อร่วมงานศพท่านพระอาจารย์ ยังมีหน้าที่ 1 ที่ท่านปราชญ์ปั้นมอบหมาย อีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งและ 2493 ท่านพ่อลีจึงนิมนต์ให้ 2493 เป็นต้นมาต้นมาเรื่อง ท่านมาเป็นถึง 2503 เป็นผู้ปรับปรุงปฏิสังขรณ์วัดนี้ สร้างบูติถวายสร้างด้วยคอนกรีตสีหลังมั่นคงที่มีกุฏิตึกอยู่ด้วยการเรียนขึ้นใหม่หลังใหญ่โตมากในบรรดาศาลาด้วยกันแล้วในจังหวัดจันทบุรีต้องยก โปรเจจน์เช่นกันพื้นที่ในเช่นเงาะกระท้อนทุเรียนพระอุโบสถก็เป็น เป็นผู้มีคุณูปการต่อวัดเขาแจ้วเป็นที่สุดหลังจาก แม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้เช่น หลวงปู่หลุยกันธสาโรหลวงปู่ชอบฐานะสมองหลวงปู่เรียนวรลาโภหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน เคารพราษฎรท่านเป็นพิเศษไม่อยู่ครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าในงานพระราชทานเพลิงศพท่านพระอาจารย์ปั้นอาจาโรพระ ได้สร้างวัดถวายหลวงตามหาบัว 1 พรรษาด้วย 2504 ถึง 2506 ท่านพระอาจารย์ ไปช่วยหลวงตาปลูกต้นไม้ดูแลเรื่องป่าตลอดจนสร้างเสนาสนะในยุคแรกเริ่มท่าน ใครไปแตะไม่ได้นะท่านเรียบร้อยหมดทุกอย่างท่านเป็นพระ พองกิริยาการเคลื่อนไหวไปมาตามหลักธรรมหลักวินัยอันนี้ กุฏิละนิสัยวาสนาได้ขาดมีตถาคตองค์เดียวฟังซิหนะตถาคตองค์นั้นเป็นนิสัยของตัวเองทุกคน อันนี้อันหนึ่งนะแต่ภายในของท่านดีนะก็เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วนี่ภายในของท่าน ดีภายในนี่แหละเราถึงได้เตือนเสมอเรื่องภายในกับภายนอกมันไม่เหมือน ตรงไปตรงมานี่ 1 รายละเอียดละออทุกอย่างไม่งั้นแล้วท่านจะเข้าไปหาพ่อแม่ครูจารย์มั่นไม่ได้ง่ายๆนะกิริยาอย่างนี้จะเข้าไปหาท่านไม่ได้พูดง่ายๆนะแต่ทําไมถึง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 กิริยาภายนอกของท่านบางคนเห็นแล้วอาจจะตําหนิได้พระอาจารย์มั่น จะไม่กลัวคนเค้าตำหนิเอาบ้างหรือท่านพระอาจารย์เจ๊จึงตอบว่า การภาวนาของผมนี้รอดพ้นได้แล้วนะคําว่าเจี๊ยเจี๊ยนี้ไม่คืนโลก 3 ไม่กลับคืนมาอีกแล้วหรือ ไม่คืนมาอยู่บนโลกนี้กับหมู่เพื่อนทั้งหลายอีกแล้วหรือปู่ท่านโอ้ถ้ายังมีการคืนมาอยู่มันไม่ ไม่พูดโกหกต่อกลวงใครทั้งนั้นคําพูดเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณธรรม พุทธศักราช 2518 ท่านก็ได้กลับไปที่วัดเขาแก้ว เนื่องจากพระกรรมฐานที่เป็นศีลสายท่านพระอาจารย์มั่นที่มีหลักจิตใจมีน้อย ด้วยเหตุไม่สะดวกอะไรบางอย่างตามนิสัย ท่านพระอาจารย์เจี้ยเล่าว่าพระทุกวันหรือทําชอบแต่สบายๆเมื่อ อันเป็นที่สบายกายจิตเป็นวิหารธรรมท่านขึ้นไปทางภาคเหนือเขากินแลจังหวัดลพบุรีถ้ำช้างร้องอันเป็นเจดติด ถ้ำช้างร้องนี้ก็เป็นที่สถาน 1 ที่ท่านไปโปรเตวดาและมีเรื่องราวพิสดารแต่ เพราะตามปกตินิสัยของท่านชอบที่สงบสงัดเปลี่ยวจิตไม่คุกเครียด้วยหมู่คณะเหมือนกับครูบาอาจารย์ๆ ออกจากห้วยปลาหลุดแล้วท่านก็เดินทางไปที่ถ้ําอินทนนท์ถ้ําอินทนนท์นี้ท่านเคยปารภไว้ว่าถ้าหากท่านตายให้ลูกศิษย์ เป็นบุพพาจารย์ของท่านเมื่ออยู่วัดอโศการามได้พอ 2527 คณะศิษย์ญาณนุศิษย์ของท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้ ท่านพระอาจารย์เจี้ยหลวงตาจึงให้ลูกศิษย์ไปนิมนต์ท่านท่าน จึงได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอกเมื่อวัน 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2535 ท่านได้สืบ 86 ปี 64 พรรษาท่าน แต่ท่านยังแสดงนิสัยอาหารอาชานัยควรแจกใครๆไม่พึงดูหมิ่นได้แต่สําหรับ ที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามนี้ไว้มากหลายศาลาใหญ่กุฏิสงฆ์กุฏิ ต่างพระกรรมฐานรูปอื่นในแง่เปรียบย่อยแต่โดยหลักใหญ่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 เป็นอุปนิสัยและปฏิปทาที่เป็นปัจจัตตังที่ใครสุสมาหิโตวันตโลกามิโสภิกขุอุปสันโตติวุตติติภิกษุผู้ ยังไม่นับว่าเป็นแต่ท่านผู้ที่มีกายวาจาและใจสงบนั่น สติธรรมและปฏิปทาฉบับย่อของพระเดชตระกูล อโหสิกรรมด้วยเทอญผู้เฉียนเรียบเรียง 18 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2545